เพราะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเดี่ยวแก่องค์ทมเด็จพระศาสดาธรรมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายได้อุบัติบังเกิดขึ้ น, นโรคและตัดพารุปริยนิทานในวันเดือน6กเน เดือนั้นพวกเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งหวังตั้งใจให่ต่อการบุญการผู้สนถึงวันสำคัญอย่างนี้จึงได้พร้อมกันมากระทำสัตการะบูชาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกระทำกันไปเมื่อวันนี้การกระทำคุณงามความดีหรือการสัตการะบูชา ในวันเช่นนี้ปีหนึ่งหนึ่งจึงค่อยจะมีขึ้นผนหนึ่งเหตุนั้นการที่ได้แต่ทาความดีในวันเช่นนี้จึงเป็นของสำคัญไม่ปล่อยการเวลาวันคืนปีเดือนให้ผ่านไปเปล่าอุตส่าห้พยายามแบกไหวาการงานบานช่องคลองตนออกมา ทำสักการะบูชาทําการบุญการกุศลพราะวันนี้เป็นวันสำคัญทั้งสามการคือวันไระสูตรปรัสรู้และป ร, ะรินิพานขององค์สมเด็จพระสาดาจารย์สมมาธรรมพุทธเจ้าของเราเศิดนั้นพวกท่านพุทธทาสชนิกรชนที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกท่านทุกคน ไม่ควรถลาดโอกาสอันดีงามเช่นวันนี้มาตามและลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจา้านานหนักหนาเพียงค่อยจะอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกการไปรศพเพราพระพุทธเจา้ายังเป็นของหาได้ยากอย่างที่ท่านว่าจิตโฉพุทธานะมุกปาโทเป็นต้น เพราะพระทเจ้าก่อนที่จะได้อุบัติสตร์ชัู่้รุ้นได้ก็อาจัยสั่งคุณงามความดีประกอบบารมีมาเป็นเวลานา น, านปีนานกับนานกันเป็นของเกิดขึ้นได้ยากยิ่ยงกว่าตัดมนุษย์ธรรมดาเพราะท่านมีคุณงามความดีเป็นเสียมเมื่อใดจึงจะได้ปราดชรุเป็นพระพุทธเจ้าได้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 และยังจะต่อกันไปอีกเป็นเวลาหลายแสนปีจึงควรจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสอีกจนถึงพระริยเมตตาในนู่นแหละเมต t นั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาอุตส่าห์ทำสักการะบูชาระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระศาสาศดาในวันนี้จึงควรพากันีสตยินดีเติมอก รื่นใจองตนว่าเลยเราได้ทําการกุศลอันสาคัญการกระทากุศลทุกท่านทุกคนอยา่าไปถือว่าเป็นของยากหรือเป็นของง่ายที่ยากก็เพราะจิตใจของเราไม่ชอบไม่ยินดีที่ง่ายก็เพราะจิตใจของเรายินดีปรารถนาดีจึงเป็นของง่าย ทุกเรื่องทุกอย่างในวลาการงานด้านโลกหรือด้านธรรมถ้าหากจิตใจของเราไม่เกิดจ่อต่อตั้งหรือไม่ยินดีในการงานที่นั้นนั้นไม่ว่าการงานเล็กหรือใหญ่ยากหรือง่ายเป็นของยากไปทั้งหมดถ้าหากจิตใจไม่ชอบไม่ประกอบปฏิบัติในหน้าที่การงานนั้นหากจะเป็นของยาก ลำบากแต่เท่าไรก่อตามแต่จิตเราชอบจิตของเรายินดีก็จะททำบาเพ็ญได้อย่างไงไ่ายดายเป็นพวกเราทั้งหลายอุตสาห์พยายามแวกบ่ายการงานบ้านช่องตลอดถึงความสุขส่วนตัวคือการหลับการนอนหรือการเติร์นในหน้าที่ต่างๆพอมาสู่สถานที่นี้ก็เพื่อมา แต่ทำบำเช็ญคุณงามความดีบุญบารมีใส่ตนเกตดนั้นทุกท่านทุกคนที่ได้อุตส่าห์พยายามมาจงหากันที่นิจเจรนาความดีของเราเราอยู่บ้านอยู่ช่องของเราวันหนึ่งหนึ่งได้ป่าได้ว่าแต่เราลึลกนึกถึงพระเจ้าพระสงฆ์ไหมรือเราทำอย่างไรอยู่ถ้าหากเราไม่เข้ามาสู่หมูะนะ่คณะ ที่ตั้งหน้าตั้งาตาสร้างุณงานความดีเดกดดินขนาดนี้เราจะทำอย่างไรอยู่ในบ้านของเราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะระลึกนึกถึงได้ไหมสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นไหมยพราเราอยู่ในบ้านในช่องของเราอันนี้เราตรองสอบได้ไง่ายๆแบบง่ายเห็นและไม่ได้ฟังและ ติเดือนขนาดนี้เรากิดจะต้องหลับต้องนอนไปแล้วอันนี้เราได้สละกําลังกายกําลังวาจากําลังใจของเราออกมาสู่วัดวาศาสนาออกมาทําจั ก, กร้าบูช า, า พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเมื่อเราละเลิกนึกถึงการกระทำมำเป็นในทางที่ดีเช่นนี้เราเกิด ด, ดี่ยินดีอิ่มใจบุญกูสนส่วนนี้จะติดตนตามตัวไปสู่ปรภพเบื้องหน้าให้เราได้รับความสุข ก, กายสบายใจเพราะเหตุว่าเราได้แต่ทำบาเพ็ญเอาไว้ I, ซึ่งคุณงามความดีในตัวของเราพระพุทธเจ้าที่จะเป็นผู้ดีพิเศษได้ก็เพราะอาศัยทำคุณงามความดีไม่ใจทำความพั่ว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 และมีคุณสมบันหลายอย่างตอนท่านเกิดจนกระทั่งท่านเ ต, ติบโตละโหฐานขึ้นมาก็ได้เป็นพระยาคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระราชบิดาของท่านต่อมาก็เห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายแล้วอุตส่าห์พยายามแฝกว่าออกหนวด คือออกบวชออกบรรพกาญน์นั่นเองการออกของพระ อ, องค์ไม่เคยมีาหารตำรวจหรือไถ่ฟ้าประชาชนติดตามพระ อ, องค์ออกองค์เดียวบวชคนเดียวอยู่ตามป่าตามเขาจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนพระ อ, องค์ท่านไม่เคยกลัวในความทุกข์ส่วนนั้น กลัวแต่ว่าจะไม่พ้นจากที่เหลือตัณหาภายในใจของท่านเท่านั้นจึงอุตสาห์พยายามจะทำคุณงามความดีหลายวิถีทางผลสุดท้ายในวันวิสาขบาุญนามีวิถีเท็นยินหกเท็นวันนี้แหละพระองค์ก็อด้ตขาดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาของมนุษย์ ตาจดาของเทพระ d ุ h a เทพพัติดาอินฟอร์มยมยักษ์ไม่มีตาจดาอื่นจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เกิดที่พระองค์จะได้ตรัสสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าก่ออาศัยคุณงามความดีสร้างบารมีแต่ทาศนศีลภาวนาเรื่อยมาจนถึงชาติปจุบันคือชาติที่เป็นพระพุทธเจ้า ก็ได้สร้างคุณงามความดีตามกำลังของพระ อ, องค์ออกมาประพฤติปฏิบัติอย่าง เ, เดียวอดอาหารทุกด้านพระองค์ไม่กลัวความร่วมความตายอดนอนผ่อนอาหารขาคเพียนพยายามติดตามจะให้คุณงามความดีเกิดมีขึ้นในจิตในใจของตนเจนไระทั่งพระองค์ไปศบ พบความดีคือได้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันเดือนเหเพ็ญเป็นวันนี้เมื่อได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก่อยยังเป็นผู้ไม่เห็นแต่ความสุขส่วนตัวอุตสาหพยายามแนะนำพัฒนสอนผูมุ่งหวังตั้งใจต่อคุณงามความดีเ ร, เรื่อยไปไม่หยุดยั่งอยู่ หรือไม่นะมีความดีภายในตัวอุตสาห์แนะสอนท่านผู้อื่น็นกระทั่งผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำแนะนำสั่งสอนของท่านได้หนุดพ้นไปจากทิเลสเป็นจำนวนมากหากพระศาจดาสัามมาสัามพุทธเ จ, จา้าเป็นผู้ตนี่ทรได้เห็นแก่ตัวพอตรัสรู้แล้ว ก็ปิดเท้าโอทเสียคือไม่แนะนำรรมสอนใครหรือปริเนธทานโดยเนียทำความต่างสอนสองเระาุทธได้เจ้าก็ไม่ตกทอดมาถึงพวกเราที่ได้ประพฤิปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยพระองค์เป็นคนปนิธรรมอุษาแนะนำรรมสอนสาวกสาวกก็แนะนำรรมสอนต่อกันมาจนไปั่งปัจจุบันทุกวันนี้ คำคำต่างสอนยังดีบอรีบูรณไม่มีอะไรขาดตกบกพรองยังสมบูรณ์อยู่เต็มที่แต่เท่ว่าความดีก็จะต้องอาศัยเหตุดีิึงค่อยจะเกิดจะมีขึ้นเหตุเป็นเครื่องบอกผลเหตุดีย่อมส่งผลดีให้เหตุชั่วย่อมส่งผลชั่วให้ เหตุมากยอมได้รับผลมากเหตุชู้เหตุน้อยย่อมได้รับผล น, น้อยเป็นธรรมดาเหตุนั้นพวกเราท่านสมัยปัจจุบันนี้าการกระทำคุณงามความดีโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่หนักแน่นสักเท่าไหร่ส่งกายส่งวาจาส่งใจออกไปสู่ส่วนอืน่นเหตุนั้นความสงสัยลังเลภายในใจจึงเกิดขึ้น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 คนนั้นก็จะไปสู่จุดมีมุตหลุดพ้นได้อย่างพระพุทธเจ้าหรือเหล่าอารหรันต์เกิดนั้นผู้ที่เมาตัวหรือเกิดสงสัยว่ามรรคผลยิธานสมัยนี้ไม่มีก็เพราะเขาไม่กระทำบาเพ็ญคุณดีงามความดีเส้นที่เกิดนั้นจิตใจของเขาจึงไม่อย่างเข้าไปหาความดี อันที่มีอยู่ภายในตัวของเขาได้ทางหาเขาแวกไหวจะททำคุณงามความดีละชั่วในตัวของเขาจริงจังเขาก็จะไปศพเพราเห็นความดีที่มีอยู่ในตัวของเขาทำของพระพุทธเจ้าเป็นของปานไม่ใส่ของผู้หญิงไม่ใส่ของผู้ชายไม่ใส่ของนักบวชไม่ใส่ของฆราวาสไทยประพฤ ปฏิบัติตามคนนั้นแหละจะได้รับทำคำสอนอนั้นๆขึ้นในจิตในใจของตนเกิดอัตจัน์มีความสุขอันยวดยิ่งเพียงแต่ท่านสมาธิซึ่งพวกเราท่านทางหลายแต่ก่อนไม่เคยได้ทำบาเพ็ญมาหรือทำบาเพ็ญกานิดหน่อยเล็กน้อยจิตใจไม่เคยเข้าสงบได้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 อันนี้สูงขึ้นในปัจจุบันทานตาอย่างนั้นเหตุนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อจิตใจยังเข้าถึงทำจริงจังแล้วจึงถอนไม่ขึ้นกล้าเป็นกล้าตายใครจะฆ่าจะเที่ยนใครจะทุบจะตีจะทําอย่างไรยอมเสียสละเท่านั้นสาเหตุใดเพราะเห็นธรรมเป็นของอัศจรรย์ยี่ยงกว่าชีวิต เมื่อพวกเราทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นพอประพฤติปฏิบัตินี่นั่งนิดนิดหน่นอยหน่อยกง่วงเหงาห้าวนอนตรงกระแสจิตเชึ ด, ชดไปแต่เรื่องอื่นเรื่องของจิตของใจไม่ทั้งรวมระวังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจะกําหนดพุทธโธ ท, ทำโมสังโฆก็กําหนดไม่อยู่จะสังเกตหรือกำหนดลมหายใจก็กําหนดไม่ได้เมื่อกําหนดไม่ได้ทําไม่ได้ผลจะเกิด มีความสุ ข, ขึ้นมาอย่างไรความจียงเราต้องบังคับมันเราท่านทั่วไปทุกคนน่ะเคยส่งกระแสจิตคิดไปในเรื่องนอกเป็นเวลานมนานเป็นเวลาหลายสีแต่ความดีไม่เคยเกิดขึ้นจากการปล่อยจิตบางใจชนิดนั้นเหตุนั้นการบังคับจิตบังคับใจที่จะ ให้เข้าสู่ความสงบหรือที่จะถอดถอนอารมณ์ทันยาออกจากตนเราต้องบังคับบัญชาเหมือนการกว่าเราบังคับเด็กให้มันอยู่ในขอบเขตไม่อย่างนั้นมันจะตกบ้านตายหรือเส่นน้ําปักเ้าของเด็กเมื่อเวลาเราจะบ่งหรือจะเอาน้ําออกจากเท้าของมันมันจะต้องร้องไห้ดิ้ น, นรนโวนกวายเป็นธรรมดา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 มันก็จะหายเจ็บปวดแผลมันก็จะดีง่ายถ้าหากล่อยมันไว้มันจะเจ็บปวดหรือทําร้ายเนื้อที่ดีอยู่ในเท้าของมันให้เสียหายไปขันใดจิตใจของพวกเราข้างหลางที่จะบังคับบัญชาตัวของตัวให้พอมาทําคุณงานความดีมันเป็นเบบ น, นี้มันไม่อยากมันไม่้อบท่านจึงเรียกว่ากิเลสมาณ มันคว้างหน้ากว้งกางตาผู้ที่จะเข้ามาจะทำบาเพ็ญคุณงามความดีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าสมัยใดนีด่เรดมันเคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับบัญชาเรามันให้โอกาสชั่วาการชั่วสมัยก็ยังว่าดีอยู่คื่เรารู้เท่าทันทันได้เรียมของมันถ้าหาเราไม่รู้เท่าทันได้เรียมของมันปล่อย ให้มันบังคับบงังชามันอยากหลับก็หลับไปมันอยากนอนก็นอนไปมันอยากคิดอย่างไรก็คิดไปตามเรื่องของมันเหตุนั้นเรื่องของจิตใจจะปล่อยไว้กีกับกี่กันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะหายจากกิตเหตุตัณหาไปได้เหตุนั้นการจะชําระสาสากิตเหตุตัณหาพระพุทธเจ้าจาึงถือว่าเป็นจิตสําคัญประจําพวกเร า, เร า, เราท่า น, านจะต้องต่อพื้นปฏิบัติกัน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 ทั้งหมดเป็นอย่างนั้นศาสตรนะแต่ผลเหตุเบื้องต้นที่จะให้เกิดความดีแรงเสียเมื่อมันเป็นอย่างนั้นทไหนท่านจะได้ผลอันดีงามมาสู่ตนของตนผลจะเกิดดีขึ้นได้ก็อาศัยการกระทําความดีถึงมันจะยากลําบากเหน็ดเหนือ่อยเหนือ่อยล้าก็อุตส่าห์พยายามจะทําเอา เราลงทุนจะ่ทำความดีดีกว่าแต่ทำความชั่วเพราะความชั่วเมื่อทำไปจะทำจิตทำใจของเราให้เดือดร้อนแต่เบื้องต้นความชั่วมักอยากจะเป็นนิสสนิทฐ์ส น, นมเห็นว่าความชั่วใหความสูกอย่างนั้นแหละมันเป็นนิสที่ดีคายคล้ายก็าปาฏินาร แต่เธอว่าฉากหลังของมันให้ทุกเจ้เราเป็นคนเกียดช้านอย่างนี้อพะทําทำการทำงานเราไม่ไปนอนเนด่นหรือเสิ์เพินในเรื่องอันอื่นเมื่อเราไม่ไปทำการทำงานเรานั่งเรานอนอยู่ตามสะดวกสบายของเรา ห้าที่การงานอะไรก็ไม่ได้หรือการหรือทำไมข้องใส่ของเรามันหิวหาสิ่งที่จะอยากจะกินไม่มีคราวนี้แหละฉากหลังของมันจบเป็นศัตรูทานเกียดข้านเลยให้โทษแ่ตนของตนเกิดอดอยากลำบากทุกเร่งทุกอย่างสิ่งที่ตน ยากได้ไดในย่สมหวังเพราะเหตุใดเพราะเร า, ออาเอาความเสียดท้านเป็นใหญ่ถ้าหากเราขยันมันเพียนถึงจอยากลำบากขนาดไหนก็อุตส่าห์แวกว่าอุตส่าห์ละตายบายจากได้ใจของเป็นธรรมเพราะคิดเหนผลข้างหน้าจะเป็นมหานิ์เคื่อจะนำความสุข ความเจริญมาให้แก่ตนคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นอย่างนั้นถึงจะลำบากยากเย็นสักขนาดไหนก็อุตส่าห์บังคับกายบังคับใจของตนทำเมื่อทำไปแล้วความยากคือว่ามนาันยากแสนยากเราทำไปได้่านไปได้ความสุขกายสบายใจคือความไม่โอดอยากยากจน เกิดเป็นผลแก่็นของตนนี่คือเรื่องงานของโลกส่วนงานของทำก็เหมือนกันถึงเราจะง่วงเหงาหานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าก็อุตส่าห์พยายามประคับประคองกายวาจาใจของตนให้แนวแน่ไม่ส่งกระแสะออกไปตามเรื่องของที่เหลือปัญหาเมื่อเราพยายามกระทำตามได้อย่างนั้นจิตของเรา ที่เคยตายแสบส่งายแสบไปสู่เรื่องอื่นก็ค่อยสงบลงไปเมื่อจิบสงบความสุขที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นก็จะเกิดจะเป็นขึ้นความสว่างสวัสยของใจเป็นอย่างไรก็จะเห็นขึ้นความสุขที่ท่านชมเชยสรรเสริญว่าความสุขในธรรมเป็นความสุขอันเลิศอันใจเสดเป็นอย่างไร เราได้เห็นประจักษ์ในใจของเราเมื่อเป็นอย่างนี้ความขยันมันเปลี่ยนต่อไปในต้องบัรคับบัญชาเพราะเหตุว่าเราเห็นผลนี่แหละพระพุทธเจ้าที่จะอดทนหรือสู้ต่อที่เหลือัญหาดาต้องมุ่งหวังตั้งใจอยากจะเห็นผลคือความผลทุกข์พองค์ประสบ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 หายใจไม่มีท่านจึงว่าคนเข้านิโรธสมาบัติไม่มีลมหายใจคนดำน้ำําไม่มีลมหายใจเด็กในคันของแม่ไม่มีลมหายใจพวกเหล่านี้ที่ได้เข้าที่ถึงจุดคือความส ง, งบจริงจังลมจะต้องละเอียดเดินได้ทุกขุมขนลมหยาบเท่าไรใจหยาบเท่านั้น ลมยาบเท่าไรหายใจแรงเท่าไรเรื่องโรคไข้ไขเ้เจ็บได้คือ่อวาตมเลือเป็นคนจะตายหายใจไม่ปกติคนปกติหายใจธรรมดาคนเข้าที่มีความสงบยังหายใจไม่มีหรือลมหายใจไม่แรงหรือสงบไปหมดลมทุกท่านทุกคนก็มีอยู่ ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าพลวัตหรือนักบวชแต่เราปล่อยให้มันออกไปตามเหลื่องของมันลมของพวกเราเราทันทันถ้าหากมันไม่เป็นเองเราต้องตายท่านมีะติปล่อยออกไปมันชึงออกมีสติสูดเข้ามามันชึงเข้ามาถ้ามันเป็นอย่างนี้วันหนึ่งหนึ่งจะตายกันนับแสนนับล้านไม่ได้เพราะ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 อานาตานุสติละลึกเนิกอยู่ในลมท้องตนจิตของพระพุทธเจ้าที่จะสงบระ ง, งับไปได้เพระอาศัยลมจิตของสาวกทั่วไปท่านก็อาศัยบทธรรมบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆหลือสตั้งเศษลมหายใจหรือ บ, บริกรรมผมขนแล้ฟันอันใดอันหนึ่งไว้ในใจของท่านไม่เห้จิตมันยืดเยือย้อออกไปสู่ อารมณ์อันใหม่บังคับใจให้อยู่กับขอบ้อวรรมของตนจิตก็เลยสงบละงับได้ถ้าหากปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแต่กี่ร้อยกี่พันปีก็ไม่ดีในงาม <c oughs> เรื่องของชีวิตตันหาํำระได้ด้วยการกระทำคุณงามความดีสระได้ด้วยข้อวัดปฏิบัตินิใช่ว่า มันจะหายไปเองถึงคราวถึงเวลาของมันเหตุนั้นพวกเราท่านทุกคนจงอุตสาหพยายามอาศัยความไม่ประมาจะทาบาเพ็ญคุณงามความดีอยู่บ้านของตนก็ทาคุณงามความดีอยู่ในวัดในวาส ก, ก็จะทาคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนความดีที่อุตสาหพยายามกอบก่วยเอาวันนั้นวันนี้หลายครั้งหลายที คามดีก่อจัตเวีคูณขึ้นเมื่อความดีมีมากความทั่วก่อจะตกออกไปลอยออกไปหายออกไปเหมือนกันกับความสว่างมีมากความมืดก็หายไปถ้าความมืดมากเขามาเท่าไรความสว่างก็ไม่มีสุดเพราะความมืดกับความสว่างเป็นค่าสุดซึ่งกันและกันความดีกับทิเหลือกันหาก็เหมือนกัน ความดีมีมากเท่าไ ร, รกิเลสตัณหาจะต้องเหตุแห่งหรือหายไปเมื่อความชั่วคือกิเลสตัณหามากเท่าเท่าไรตายวาจาใจของบุคคลผู้นั้นถ้านักปราบบัณฑิตดูไม่น่าดู เ, เลยเพราะเหตุดใดเพราะความชั่วเต็มไปทั้งตัวเหตุนั้นเรื่องความชั่วและความดีต้นเหตุเกิดมีขึ้นจากตัวของพวกเรา ไม่ใช่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้อื่นพระพุทธเจ้าแนะนำพันสอนพวกเราก็เพื่อให้กำจัดระงนับดับความทุกข์จเจริญความดีที่มีอยู่ในคงที่หรือทวีคูณขึ้นไปความดีใหม่ซึ่งควรจะได้จะถึงกพ อ, อุตส่าห์พยายามจะทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นหากทุกท่านทุกคนสนใจอุตส่าห์จะทำ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 เราจะเอาไปกระทำบาเพ็ญการงานทางโลกก็จะมีความสุขความเจริญจะบําเพ็ญในทางธรรมก็ไม่เสียไม่เสียเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพระวา่าพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์สอนพระว่าจะทำยิสุสามเนนพระพุทธเจ้าก็อุตส่าห์แนะนำํสำทาสอน ท่านไม่ได้เกลียดว่าตะกูลตามตะกูลสูงว่าเป็นคนโง่คนฉลาดอุตส่าห์สอนทางนั้นไม่ว่าท่านผู้ใดเมื่อสนใจแล้วเข้ามาสู่วงของศาสนาพระพุทธเจ้าต้องแนะนำทำสอนเสมอกันไปหมดแต่ผู้ที่จะได้ผลยิ่งย่อนกว่ากันก็คพอการแต่ทำเมื่อได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของท่านไปแล้ว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 เป็นวันประศุปรัตถุปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัสดาสัมาสมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะติดพระโอษฐปรินิพพานองค์สมเด็จพระสัจจะสัมมาสั ม, ม, มพุทธเจ้าได้แนะนํำคำสอนพวกเราทั้งหลายไม่ให้พากันประมาทชนิดพิ่เจริญนาอาวัยวะร่างกายของตนให้เห็นประจักษ์ชัดเจน ละละทั่วบำเพ็ญดีให้ทวีคูณขึ้นนี่เป็นคำแนะนำทำสอนตอนจักรปริณิพานคือสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายไม่มีความประมาทอุตสาห์แต่ทำบาเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็ปิดพระโอษฐปริณิพานเลยปริณิพานในวันเดือนหกเพนเพนวันนี้แหละพวกเราเราท่านทั้งหลายได้อุตสาห์พยายามมาสักการะบูชา องค์สมเด็จาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ก็อจงพากันละเลิกนัดถึงข้างที่พระองค์ยังดำรงพระชนอยู่แล้วอุตสาห์พยายามละชั่วบาเพ็ญดีให้เกิดใ้มีสิ่งในตนของตนต่อแต่นั้นไปพวกเราท่านทุกคนก็จะพากันประตบพบแต่ความสุขความเจริญในอวาสานการแสดงธรรม ขออำนาจคุณพระราชนาตราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกจงมาคุ้มครองป้องปกพวกชันชายกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้ป ร, ราศจากโภคไัยให้เจ็บปราศชนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงได้สมหวังทุกปารานดังได้รับประทานยิสัจนามาก็เห็นว่าต้องควรเก็เวลาเยวังควมีด้วยปราราและเช่นี้